ไม่อยู่ในระบบคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะพระโพสจักรนี้ จ, จะไม่เอาคำสอนพระพุทธเจ้าจ า, จาบรรลุเองจะรู้เองตัดสินเองท่านไม่ทำตามเพราะจะนั่งกินพระก็มีรูปไมีหินได้พวกพระญุปุ่นกินข <c oughs> ้าวกินอะไรก็เป็นพวกตีเบ็มีรูปเป็นออกมาก็เป็นพระลูกก็เป็นพระด้วยนะ นะเรื่องนี้นะมันอุปสรรคของการภาวนาของการปฏิบัติเฮ้ย mm hmm. ไม่ใช่นีน mm hmm. ไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่านักปฏิบัติทุกๆุกออกมาสุบ ด, ดูเองว่าข้างสิงเหลนี้ได้ไม่ใช่นี่นะ mm hmm. จะเข้าใจหรือจะรู้จะพอได้ยึดได้ความยินใจได้ความสุขใจอยู่บ้างอาศาัยพระธรรมเนี่ย mm hmm. อันความโง่ความหลงความผิดชลาดความอะไรต่างๆไม่ร้อยแปดมาทุกคนจะเล่าความจริงให้ฟังไม่มีใครใสะดวกสบายพระพุทธเจ้าประเสรวกสายหลงปู่บานตานท่านก็ยังแท้อยู่ท่านหมดไม่ว่าองค์ไหนสุขนแต่บางองค์ก็ท่านไม่ค่อยบอกไม่ค่อยพูดให้เราฟังเท่านั้น ที่ท่านได้ยกระดับจิตขึ้นมาสูงเป็นครูมาอาจารย์ของเรามากราบนาว่ายบางครั้งเรา ล, ลึกขึ้นมาเห็นมันละเอียดนี่แหละเราลึกนอใครน้อยจะเราจะพูดให้ใครฟังใครเน้อยจะเข้าใจคําพูดของเราหรือจะรับคําพูดของเราได้อจะได้เป็นเพื่อนจะได้เป็น มาพูดไปแล้วกล่าวไปแล้วไม่ค่อยมีผลไม่ค่อยเกิดผลทั้งผู้ฟังก็เลยเหนื่อยทั้งผู้เทศก็เหนื่อยผู้ปฏิบัติก็เหนื่อยพูดนี่ก็เหนื่อยบางครั้งกับมันก็เกิยบางครั้งกินนึกกว่าอนุลักษ์ปัจจุอันไปยังไงล่ะ <c oughs> แต่สิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เือวิสัยเพราะความจริงแล้วมันมันมีอยู่ปรากฏการณ์มากกว่าความเกิดเก่เจ็บตายที่เราคนจะกาหนดเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนีน่พูดในสัจจธรรมรแลก็ต้องเอาจิตของเราในทางความจริงที่พระพุทธเจ้าเราไม่ควรเอาความจริงของโลกมาแก้ อย่าไปเอาปรัชญาโน้นปรัชญานี่แล้วมาติโน้นมาติอีกวัตถิอะไรถึงเอของจิตที่มีอยู่ในขันนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็เอาอันนี้มากําหนดแล้วก็มาทําจิตให้สงบมันด้นไปหาอะไรมันไปหาตายอมันไปหาเกิมันอยากได้ทําไมโลภทําไมมันโกรธทําไมมันหลงทําไมเนี่ยไม่เอาสอิ่งเหล่านี้มาแก้ความโลภโกรธหลง มันจึงจะแก้ได้ถ้าอย่างนั้นมันแก้ไม่ได้อราคะแก้ไม่ได้ถ้าเอาสิ่งไม่มีสิ่งอย่านี้มาแก้ไม่ปรากฏชัดในสิ่งอย่านี้เพราะเป็นเครื่องแก้กันเป็นเครื่องแก้ราคะโทสะโมหะคือสินสมาธิปัญญานี่พูดจะ เ, จเราเราเราได้ยินจนเคยชินมาแล้วสินสมาธิปัญญาคือมัน อันนี้เป็นอุบายศินสมาธิปัญญาแต่ภาคปฏิบัติแล้วปัญญามันไม่ได้เกิดเหมือนกับเราพูดเหมือนกับอุบายเหมือนกับเราได้ฟังมันไม่ปรากฏในใจของเราพร้อมกับเมื่อเวลาได้ยินวิจัอาอวิชชา ย, ยังครอบงําอยู่ในจิตใจไม่ยอมปล่อยวางแค่ได้ยินแล้วมันจะปล่อยวางให้เราได้ตามคําพูดคานึกของเราเมื่อไร มันต้องเข้าไปต่อสู้เหมือนกับพระชาองหนึ่งเขาครองราชสมบัติอยู่ในเมืองหนึ่งที่มายาวนานแต่ชาวบ้านเอื้อมละอาคนที่ไม่ได้พ้นประโยชน์จากนะั้นมันก็เอื้อมละอาอยากให้อัรเชิญผู้ใหม่มาขึ้นบันหลักผู้ที่ได้พ้นประโยชน์ร่วมกันมันก็มีอยู่กับพระราชานะ เพราะฉะนั้นถ้าหากเขาพื่ได้ไประโยชน์ร่วมกันหรือเขาสนุกสนานอยู่อย่างนั้นด้วยกันเราจะไปไล่เขาออกไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยแต่ตลาดบัลลังก์ที่เนี่ยเราขึ้นครองหรือไม่เราไม่คนมาจากไหนทือคนที่ไหน โ, โคลงมาขึ้นมาครองเขาจะยอมให้ง่งายง่ายก า, า, า, า, า, ารามาไม่ถามพระพุทเจ้าตามบันทาพระพุทธเจ้าลงกระถามคืนว่า คุณก็เป็นคนชานาญในการฝึกมากไม่ใช่หรือบอกว่าใช่จะบอกทําทำคนละมาที่พยรถยาดที่ฝึกไม่ได้คุณจะทำอะไรค่าทิ้งเอาฆ่าทำไมเอาไว้ทำไมไม่เอาไว้เลยเพราะมันจะไปผปสมพันเป็นมาที่พยาถต่ออีกไม่มีที่สิ้นสุดฝึกไม่ได้เลยนี่พระพุทธเจ้าตออย่างนี้จริงๆนะ เนี่เขาก็จะสอนทางมางพูดยาวเขาพระองค์มาสอนมาให้ฆ่าสัตว์ไม่ใช่หรย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นแบาปใจโอ้จินอยู่อันนั้นเราสมมติค่าที่เหลืไม่บาป <c oughs> <c oughs> เลยนะค่าที่เหลืที่ดีเพราะเราฆ่าอารมณ์เฉยๆไม่ฆ่คนไม่ใช่ฆ่าคนไม่ใช่ฆ่าเรา